ผู้มีจิตศรัทธามีความเมตตาใในพระพุทธศาสนาพุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยีสิบมกราคมพุทธศักราชส5งพเป็นวันที่ท่านทั้งหลายตั้งใจมาว่าเพื่อมาสร้างกรรมดีคือทําบุญละบาป จำระใจให้สาดเพราะมีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของขอ ง, ของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วบุญหรือบาปจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นกรรมเป็นเครื่องจำแนกแยกสัตว์ ให้เป็นไปต่างกันไปอย่างพวกเราที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี้เราก็มีความแตกต่างกันบางคนก็เป็นหญิงบางคนก็เป็นชายบางคนก็เป็นคนรวยบางคนก็เป็นคนจนบางคนก็เป็นคนชราบางคนก็เป็นคนโง่บางคนก็เป็นคนดีบางคนก็เป็นคนไม่ดีอันนี้ เรียกว่าเป็นผลของกรรมคือการกระทงของเราที่เราได้ทำมาในอดีตชาติจึงส่งผลให้เรามาเกิดมีความแตกต่างกันมีความสูงความต่ําไม่เท่ากันมีความดีความชั่วไม่เท่ากันมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่เท่ากันมีรูปร่างหน้าตา ที่สวยงามไม่เท่ากันมีอาการสามสิบสองที่มากน้อยต่างกันไปมีอายุสั้นยาวต่างกันไปสิ่งเหล่านี้นี่เป็นผลที่เกิดจากการทำกรรมของเรากรรมนี้แปลว่าการกระทำถ้าตามภาษาพระคำว่ากรรมนี้ไม่ได้หมายถึงคำว่าบาปแต่ถ้าตามภาษาทางโลก เวลาพูดถึงกรรมเรามักจะคิดถึงคำว่าบาปแต่คำของพระในพระคมภีนี้คำว่ากรรมแปลว่าการกระทาการกระทำนี้ก็มีอยู่สามทางด้วยกันกระทาทางกายเรียกว่ากายกรรมกระทำทางวาจาเรียกว่าวาจีกรรมและกระทาทางใจเรียกว่ามนโนกรรมกรรมทั้งสานี้ ทำได้สามทางด้วยกันคือทำดีหรือเรียกว่าบุญแล้วก็ทำชั่วหรือเรียกว่าบาปแล้วก็ทำกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วไม่บุญไม่บาปนี่คือการกระทําที่พวกเราได้ทํากันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้การกระทําเหล่านี้แหละที่เป็นตัวที่ส่งผล ให้เราดีหรือไม่ดีสุ ข, ห ร, สขหรือไม่สุขหรือไม่สุขอยู่ตรงที่การกระทําของเราโดยเฉพาะการกระทําทางใจอันนี้ถือว่าเป็นต้นของการกระทําทั้งปวงเพราะก่อนที่เราจะพูดได้ก่อนที่เราจะทําอะไรทางร่างกายได้เราต้องมีใจเป็นผู้สั่งการก่อนสั่งการผ่านทางความคิด ความคิดของเรานี่แหละเรียกว่ามาโนกรรมคือเราต้องคิดก่อนแล้วเราถึงจะพูดได้ทำได้ถ้าเราคิดดีเราก็จะพูดดีทำดีถ้าเราจะคิดไม่ดีเราก็จะพูดไม่ดีทำไม่ดีพอทำไปแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับผลบางอย่างก็เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วผลบางอย่างก็ใช้เวลา ต่ไม่ช้าก็เร็วผลเหล่านี้ก็จะต้องเกิดขึ้นส่วนผลที่เกิดทางใจนี้เกิดขึ้นทันทีในขณะที่เราคิดนี้ผลก็จะเกิดขึ้นแล้วผลในใจคืออะไรก็คือความสุขความทุกข์หรือความเฉยเฉยถ้าเราคิดทําบาสนี้ใจเราจะทุกข์ขึ้นมาทันทีถ้าเราคิดทําบุญ ใจเราก็จะมีความสุขขึ้นมา ท, าทันทีแต่พอเราหยุดคิดความทุกข์นั้นก็หายไปความสุขนั้นก็หายไปแต่ถ้าเราคิดแล้วเราพูดเราทาผลมันก็จะอยู่นานกว่าการกระทำทางความคิดเวลาเราทำอะไรไปด้วยกายด้วยวาจามันจะมีผลกระท้อนกลับมา mm hmm. เช่นเราไปด่าผู้อื่น ผู่เขาก็จะด่ากลับมาถ้าเราไปตีเขาเขาก็จะกลับมาตีเราถ้าเราไปฆ่าเขาเขาก็จะกลับมาฆ่าเราถ้าไม่ใช่เขาก็คนอื่นที่จะทําหน้าที่แทนเขามาฆ่าเรานี่คือผลที่จะตามมาต่อไปแต่ <c oughs> อาจจะช้าหรืออาจจะเร็วก็ได้เช่นเราไปขโมยของ คนไม่รู้ไม่มีใครรู้ว่าเราขโมยของก็ยังไม่มีใครมาจับรเราไปลงโทษแต่ใจของเรานี้รับผลไปแล้วคือพอเราทำบาปแล้วใจของเราก็จะร้อนขึ้นมาวิตกกังวลขึ้นมากลัวขึ้นมากลัวจะถูกจับไปลงโทษเรือย่างน้อยก็ไม่อยากจะให้ใครเขารู้ว่าเราทำบา ถ้าเราไม่อยากจะทําบาปเราต้องมีฮิริโอตตาปะฮิริแปลว่าความอายโอตตาปะแปลว่าความกลัวผลของบาปที่จะตามมาถ้าเราคิดไว้ก่อนว่าถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเราจะได้รับผลอย่างนี้ถ้าเรามีฮิริไม่โอตตาปะเราก็จะไม่กล้าทําเราก็จะไม่ทําเช่นเราจะอับอาย ขายขี้หน้ากลัวคนอื่นเขารู้ว่าเราเป็นคนทำบาปเช่นเราไปรักทรัพย์ของผู้อื่นไปชอ่อกงเราจะไม่ได้รับความยกย่องสรสรเสริญแต่เราจะได้รับคำตาหนิตีเตียนเกิดได้รับความรังเกียจเพราะไม่มีใครเขาอยากที่จะคบกับคนโกงถ้าเราคิดอย่างนี้ว่า ถ้าเราโกงแล้วเราจะได้รับผลอย่างนี้เราก็จะได้ไม่กระทำเพราะเรามีความอับอายขายหน้ามีฮริมีโอตตปะมีความกลัวของผลของการกระทําที่ไม่ดีที่จะตามมาและการที่เราจะควบคุมความคิดของเราได้เราก็ต้องมีธรรมะที่เรียกว่าสติ สตินี้เป็นเหมือนเบรกของความคิดถ้าเรามีสติเวลาเราคิดไม่ดีเราก็จะหยุดความคิดได้เช่นถ้าเรารู้จักการบริกรรมพุทโธพุทโธเราพุทโธของเราไปเรื่อยๆจนติดเป็นนิสัยไปเวลาเราคิดไม่ดีเราก็พุทโธพุทโธไปพอพุทโธไปสักระยะหนึ่งแล้ว เราก็จะเริมความคิดที่ไม่ดีไปเราก็ไม่ต้องไปพูดไม่ดีทำไม่ดีและไม่ต้องไปรับผลของการกระทาที่ไม่ดีที่จะตามมาต่อไปพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราจเจริญสติอยู่เรื่อยๆให้มีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกให้เราพุทโธ ท, ทุกลมหายใจเข้าออกถ้าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องคิดก็ หยุดความคิดดีกว่าเพราะถ้าเราปล่อยให้ความคิดคิดไปในทางที่ไม่ดีก็จะทาให้เราไปพูดไปทำไม่ดีและเราก็จะต้องรับผลของการกระทำที่ไม่ดีต่อไปถ้าเราหยุดความคิดที่ไม่ดีได้เราก็จะปลอดภัยเราเวลาเราคิดดีเราก็ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องหยุดเช่นวันนี้เราคิดจะมาทำบุญกัน เราก็ส่งเสริมความคิดนี้เลยว่าเออดีทำบุญแล้วจะมีความสุขใจทำบุญแล้วจะมีคนเขาเคารบนับถือม่นจะไม่มีใครรังเกียจจะไม่มีใครทำดีจะมีแต่คนยกย่องสรรเสริญว่าเราเป็นคนดีพอเราคิดทำดีก็ทำไปเลยจะอยากชวนเพื่อนฝูงพี่น้อง มาทำบุญก็ชวนได้เลยแล้วถึงเวลาเราก็เตรียมข้าวเตรียมของเตรียมสิ่งต่างๆแล้วก็ออกเดินทางมาเลยไม่ต้องใช้เบรกถ้าทำความดีแล้วให้รีบท ำ, ทำทันทีเลยเพราะถ้าไม่ทำเดี๋ยวเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้ทำดังั้นท่านบอกว่าถ้าเราคิดจะทำบุญให้รีบทำเลยอย่าปล่อยให้มันผ่านไป ถ้าเราคิดจะทําบาปเราก็ต้องหยุดมันทันทีอย่าปล่อยให้มันคิดอยู่เรื่อยๆเพราะมันจะลุกลามใหญ่โตขึ้นไปจนจะไม่สามารถหยุดมันได้พอมันคิดปับ๊บถ้าเราบริสติเฝ้าดูใจเราอยู่เรื่อยๆดูว่าเรากําลังคิดอะไรอยู่พอเราคิดจะทําบาปเช่นวันนี้จะไปเที่ยวจะไปดื่มสุราจะไปยิงนกตกปลา จะไปเล่นการพนันพอเราคิดอย่างนี้เราก็ต้องใช้พุโทโธหยุดมันพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้มันคิดเพราะยิ่งคิดรล้วเดี๋ยวมันยิ่งอยากยิ่งอยากแล้วใจยิ่งร้อนพอร้อนแล้วก็ทนความร้อนไม่ได้ต้องไประบายความร้อนด้วยการกระทําตามความคิดนั้นแต่กับเป็นการระบายความร้อนชั่วคราวพอทําไปแล้วทีนี้ก็มีความร้อนกลับมาอีก เวลาไปทำบาปแล้วใจก็ร้อนขึ้นมาใหม่เ้าร้อนแบบนี้ดับไม่ได้เนี่ยมันจะฝังอยู่ในใจของเรามันจะสะสมไว้เวลาเราตายไปมันก็จะพาเราไปรับผลของบาปต่อไปถ้าเราทำบาปมากกว่าทำบุญกำลังของบาปก็จะส่งเราไปเกิดในอบายถ้าบุญของเราที่เราทำไว้มีกำลังมากกว่าบา บุญก็จะส่งเราไปสู่สวรรค์ไปสู่ที่เย็นบุญนี้เป็นของเย็นส่วนบาปนี้เป็นของร้อนใจเราร้อนเราเย็นนี้ก็อยู่ที่บุญหรือบาปนี่เองส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่กิเลสตัณหากิเลสตัณหาก็เป็นตัวร้อนเหมือนกันเวลาเราโลภเราอยากได้หรือเวลาเราโกรดนี้ ใจของเราจะร้อนขึ้นมาเป็นฟืนเป็นไฟ ท, ทันทีเวลาที่เราไม่โลภไม่โกรธไม่มีความอยากใจของเราจะเย็นสบายดังนั้นขอให้เรารู้จักวิธีสร้างความสุขสร้างความเย็นความอบายด้วยการเชื่อพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคนเราไม่ต้องร่ำไม่ต้องรวยไม่ต้องเป็นใหญ่เป็นโต ก็มีความสุขได้คนที่ร่ำรวยคนที่ใหญ่โตนี้ก็อาจจะไม่มีความสุขก็ได้เพราะความร่ำรวยความใหญ่โตนี้ไม่ได้ทำให้ใจเราสุขหรือไม่สุขแต่อยู่ที่ว่าใจของเราทำบุญหรือไม่ทำบุญใจของเราโลภหรือไม่โลภใจของเราโกรธหรือไม่โกรธใจของเราอยากหรือไม่อยาก ถ้าเราทำบุญได้ใจของเราจะเย็นถ้าใจของเราโกรธเราหยุดมันได้ใจของเราก็จะเย็นถ้าใจของเราโลภถ้าเราหยุดมันได้ใจของเราก็จะเย็นถ้าหยุดไม่ได้เวลาโกรธก็จะเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาถ้าโลภก็จะเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาถ้าอยากก็จะเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาถ้าทำบาปก็จะเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมา และความสุขทุกข์ที่แท้จริงนี้อยู่ที่การกระทาของเราเรียกว่ากรรมกรรมดีก็เรียกว่าบุญกรรมไม่ดีก็เรียกว่าบากรกรรมกลางๆ ก, ก็เรียกว่าไม่ไม่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาการกรรมอะไรที่เรียกว่าไม่เป็นบุญไม่เป็นบาก็การกรรมที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ไม่ได้ให้ความสุขแก่ผู้อื่น และก็ไม่ได้ให้ความทุกข์ให้ความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเช่น mm hmm. เวลาเราอาบน้าอาบท่ากินข้าวแต่งเนื้อแต่งตัวนี้ mm hmm. เรียกว่าเป็นกรรมกลางกลางเพราะว่าไม่ได้ทำให้คนอื่นเขามีความสุขหรือ mm hmm. ไม่ได้ทำให้คนอื่นเขามีความทุกข์ก mm hmm. ารกระทำที่ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับผู้อื่นไม่ได้ให้ผู้อื่นมีความสุข ก, ก็แล้วก็ไม่ได้ให้ผู้อื่นมีความทุกข์ เราก็เรียกว่ากรรมนี้เป็นกรรมกลางๆไม่สุขไ ม, ไม่ดีไม่ชั่วถ้าสมมติว่าเราทำแต่กรรมที่เป็นกลางๆอยู่นี้ไปตลอดชีวิตไม่ทำบุญเลยไม่ทำบาปเลยเวลาตายไปบุญก็ไม่มีกำลังดึงไปสวรรค์บาปก็ไม่มีกำลังดึงไปอาบายเราก็จะกลับมาเกิดมนุษย์เป็นมนุษย์ไม่ต้องเสียเวลาไป ชดใช้บาปหรือไปรับผลบุญถ้าถ้าถ้าบุญมากกว่าก็ยังไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องไปรับผลบุญก่อนไปเป็นเทวดาก่อนไปอยู่แบบเทวดาอยู่แบบโรงแรมห้าดาวกินอาหารห้าดาวเที่ยวระดับห้าดาวก่อนจนกว่าบุญจะมีเท่ากับบาปบุญไม่สามารถดึงใจให้อยู่ในสวรรค์ได้ แต่บาปก็ไม่สามารถดึงให้ไปเกิดในอบายได้ก็จะกลับเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาสร้างบุญสร้างบาปใหม่คนที่ลงมาจากสวรรค์ก็จะเป็นคนที่มีบุญมารมีติดตัวมาเวลามาเกิดก็จะรูปร่างหน้าตาสวยงามกว่าคนที่ขึ้นมาจากจากอบายคนที่ขึ้นมาจากอบายก็จะมีบาปติดตัวมา ผลของบาปติดตัวมาก็จะทำให้รูปร่างหน้าตาไม่สวยงามอาการ32อาจจะไม่ครบบริบูรณ์มีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีอายุสั้นชอบทำบาปไม่ชอบทำบุญนี่คือลักษณะของคนที่ขึ้นมาจากข้างล่างคนที่ลงมาจากข้างบนก็จะเป็นตรงกันข้ามกันจะมีรูปร่างหน้าตาสวยงามจะ มีอาการครบ32สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนานชอบทำบุญไม่ชอบทำบาปไม่ชอบกินเหล้าไม่ชอบเล่นการพ น, นันไม่ชอบเที่ยวกลางคืนไม่ชอบ ค, คบคนชั่วเป็นมิตรไม่ชอบความเกลียดครงนี่คือลักษณะของคนที่มีบุญจะเป็นอย่างนี้จะชอบทำแต่บุญชอบทำความดี มีความเมตตากรุณามูฎิตามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความสงสารผู้อื่นไม่โหดร้ายทารุณลักษณะของคนที่ลงมาจากสวรรค์จะเป็นอย่างนี้คนที่ขึ้นมานี้จะเป็นคนโหดร้ายทารุณเห็นแก่ตัวไม่สนใจถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้อื่น ปราศจากความเมตตากรุณาปราณีถึงกล้าทำบาปได้คนที่มีความเมตตากรุณานี้จะไม่ชอบทำบาปเพราะจะไม่ชอบทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นชอบที่จะช่วยเหลือผู้อื่นชอบที่จะให้ความสุขแก่ผู้อื่นแล้วก็มีความสุขใจจากการที่คิดดีพูดดีทำดีคนที่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดี ก็จะมีแต่ความรูมร้อนในจิตใจเดือดร้อนเป็นเรื่องเป็นราวกับคนนั่นคนนี้อยู่เรื่อยๆนี่แหละคือผลที่เกิดจากการกระทของเรามันจะสะสมเป็นนิสัยไปถ้าทำไปมากๆมันลงลึกไปกว่านิสัยเราก็เรียกว่าสันดานสันดานนี้ก็จะแก้ยากกว่านิสัยนิสายนี้ยังจะแก้ง่ายกว่า ดังนั้นเราควรจะตรวจตลาดูการกระทำของเราดูความคิดของเราว่าเราคิดไปในทางไหนถ้าเราคิดไปในทางบาปในทางที่ไม่ดีเราต้องพยายามแก้มันวิธีแก้ก็ใช้สติหยุดมันเราต้องมาฝึกเจริญสติกันฝึกพุทโธพุทโธกันหัดท่องพุทโธพุทโธไปภายในใจอยู่เรื่อย พอเวลาใจเราคิดไปในทางบาปเราก็ใช้พุทธโธมาหยุดเลยท่องพุทธโธพุทธโธไปไม่ต้องไปสนใจกับความคิดที่จะทำบาปตอนต้นมันก็จะแข่งกันเราพุทธโธไปความคิดที่จะทำบาปมันก็ยังโผล่ขึ้นมาแต่เราไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปสนใจขอให้เราเกาะติดอยู่กับพุทธโธไปเรื่อยๆต่อไปพุทธโธก็จะมีกาลังมากขึ้นมากขึ้น แล้วความคิดที่จะทำบาปก็จะมีกำลังน้อยลงไปจนในที่สุดก็หายไปพอหายไปก็ไม่ได้ไม่ก็ไม่ต้องไปพูดไม่ดีทำไม่ดีนี่คือวิธีแก้ส่วนที่ไม่ดีส่วนที่ดีถ้าเรายังไม่มีเราก็ควรที่จะคิดให้บ่อยๆที่ว่าเราต้องทำให้ได้เราต้องทำให้ได้เช่นเรามาวัด น้อยเกินไปแล้วก็บอกต่อไปนี้เราจะต้องมาให้มากขึ้นถ้าเราเคยมาเดือนละครั้งก็เพิ่มเป็นเดือนละสองครั้งเ <_ S 1> พิ่มเป็นเดือนละสามครั้งเ <_ S 1> พิ่มเป็นเดือนละสี่ครั้งถ้าเราไม่เคยรักษาศีลเลยก็เริ่มคิดว่าต่อไปนี้เราจะต้องรักษาศีลแล้วรักษาไม่ได้5ข้อก็เอาข้อหนึ่งก่อนก็ยังดีข้อไหนเรารักษาได้ง่ายก็รักษาไปก่อน พอ ร, รักษาได้ข้อหนึ่งแล้วก็เพิ่มเป็นสองข้อเพิ่มเป็นสามข้อเพิ่มเป็นสี่ข้อเพิ่มมันไปเรื่อยๆต่อไปก็จะบวชได้คนที่บวช น, นี้เขาก็คิดจะทาแต่สิ่งที่ดีคิดที่จะรักษาศีลตอนต้นเขาก็หัดรักษาศีลห้าไปก่อนพอ ร, รักษาศีลห้าได้แล้วเขาก็รักษาศีล8ต่อไป พอรักษาศีลแปดได้แล้วก็ออกบวชได้จะบวชเป็นแม่ชีก็ได้บวชเป็นพระก็ได้เพราะว่าเขาอยากจะทำสิ่งที่เขาไม่เคยทำมาก่อนคือเขาไม่เคยนั่งสมาธิเขาไม่เคยทำใจให้สงบเขาไม่เคยศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาก็อยากจะทำเพราะเขาเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้ทำนี้เป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ ทั้งกับตัวเขาเองและกับผู้อื่นเป็นบุญเป็นกุศลนี่นี่คือวิธีการที่เราจะพัฒนาจิตใจของเราชุดลากจิตใจของเราที่อยู่ต่ำให้ขึ้นสูง <c oughs> ใจของเรานี่สามารถที่จะขึ้นได้ลงได้ใจขึ้นหรือลงก็อยู่ที่การกระทําอยู่ที่ความคิดของใจนี้ ถ้าเราคิดไปในทางโลภทางโกรธทางหลงนี้มันจะดึงใจไปลงต่า <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาเรามีความโลภเราต้องหยุดความคิดนี้อย่าไปโลภหรือถ้าเราจะต้องการซื้ออะไรเราก็ต้องใช้เหตุผลใช้ปัญญามาวิเคราะห์มาถามตัวเองว่าอยากได้ของชิ้นนี้ถ้าเราไม่ได้มาแล้วเราจะตายหรือเปล่า เราจำเป็นจะต้องมันมีไวหรือเปล่าถ้ามีความจำเป็นเช่นเอาไปใช้กับการทำงานทำการเพื่อหาเงินหาทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงทองถ้าจำเป็นก็ต้องซื้อมาเช่นเราจะไปซื้อสินค้ามาขายนี่เราซื้อมาได้เพราะนี่ไม่ถือว่าเป็นความโลภถือว่าเป็นเหตุผลเราต้องการหาเงินหาทองวิธีหาเงินหาทองก็คือต้องซื้อของมาขาย พอขายแล้วเราก็จะได้กำไรได้กำไรเราก็จะได้มีเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องถ้าซื้อของมาแล้วทำให้เราได้เงินเพิ่มก็ควรจะซื้อแต่ถ้าซื้อมาแล้วทำให้เงินเราหดหายไปก็อย่าซื้อเช่นอยากจะซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่เครื่องเก่าก็ยังใช้ได้ดีอยู่ซื้อไปแล้วเอาไปขายไม่ได้ซื้อไปแล้วก็จะทาให้เงินที่มีอยู่น้อยลงไปก็อย่าซื้อ พอซื้อแล้วมันจะติดเป็นนิสัยเดี๋ยวเห็นอะไรก็อยากได้ก็จะซื้ออีกซื้อโดยไม่มีเหตุมีผลนี้มันก็จะทำให้ดูดรับของเราไปทีละเล็กทีละน้อยต่อไปเราก็อาจจะไม่มีเงินใช้ก็ได้ถ้าเราไม่รู้จักควบคุมรายจ่ายไม่รู้จักหักห้ามจิตใจเวลาเกิดความโลภเกิดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วไม่สามารถหยุดมันได้ มันก็จะทำให้เราจนลงไปเรื่อยๆมันไม่ได้ทำให้เรารวยขึ้นการใช้เงินซื้อของที่ไม่สามารถทำให้เราได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนี้เป็นการทำให้เราจนแต่ถ้าเราซื้อของมาแล้วเอามาขายได้กำไรมีเงินเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้ถึงเรียกว่าจะทำให้เรารวยเป็นวิธีที่เราควรจะทำนี่คือการใช้ สติใช้ปัญญาคอยต่อสู้กับความคิดของเราความคิดที่คิดไปในทางไม่ดีนี้ถ้าเรายังใช้ปัญญาสอนไม่ได้แต่เรารู้ว่ามันไม่ดีเราก็ใช้สติหยุดมันก่อนท่องพุโทโธพุโทโธไปก่อนอย่าปล่อยให้มันคิดอย่าปล่อยให้มันคิดอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาคิดบ่อยๆเข้าแล้วเดี๋ยวมันทนไม่ไหวเดี๋ยวมันก็ต้องควักกระเป๋าออกไปซื้อของมา ซื้อมาได้เดียเด๋ยวเียวความสุขก็หายไปแล้วแล้วก็จะเกิดความอยากซื้อของใหม่ขึ้นมาอีกพอเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือมีของรุ่นใหม่ออกมารุ่นเก่าใช้ได้ไปได้ไม่ถึงปีรุ่นใหม่ออกมาอีกแล้วก็อยากจะซื้อใหม่อีกถ้าเราทำอย่างนี้เราก็จะต้องเหนื่อยกับการรับใช้ความโลภความอยากเงินทองหามาได้เท่าไหร่ก็จะไม่สามารถเก็บเอาไว้ได้และเวลา ตกงานเวลาไม่สามารถหางานหาเงินได้ก็จะเดือดร้อนแต่ถ้าเรารู้จักหาเงินรู้จักเก็บเงินเราก็จะมีเงินสะสมไว้มากเวลาที่เราตกงานเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะมีเงินทุนสำรองไว้เลี้ยงดูเราเราก็จะไม่เดือดร้อนนี่แหละคือวิธีจัดการกับชีวิตของเรา เราต้องมาจัดการที่ความคิดของเราเพราะความคิดของเรานี่แหละเป็นตัวลี้ิดชีวิตของเราทำให้เรารวยหรือทำให้เราจนทำให้เราสุขหรือทำให้เราทุกข์อยู่ที่ความคิดของเราคิดแล้วมันก็จะพาให้เราไปสู่การพูดการกระทาต่อไปดังนั้นถ้าเราคอยควบคุมความคิดไว้ถ้าความคิดไม่ดีก็หยุดมันเสียหยุดด้วยสติก็ได้ ถ้าหยุดด้วยปัญญาได้ยิ่งดีใหญ่เพราะถ้าหยุดด้วยปัญญาแล้วต่อไปมันจะไม่โผล่ขึ้นมามันจะยอมรับกับเหตุผลแต่ถ้าหยุดด้วยสตินี้มันยังไม่ยอ ม, มเราเพียงแต่กันไม่ให้มันคิดเทนั้นเพราะเราเผลอสติพอไปเห็นของที่อยากจะได้มันก็อยากจะได้ขึ้นมา ท, าทันทีแต่ถ้าใช้ปัญญาสอนใจว่าของอันนี้ไม่จาเป็นไม่มีมันก็ไม่ตาย ได้มาก็ไม่ได้ทําให้เรารวยขึ้นแต่ได้มาแล้วทําให้เราจนขึ้นถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เราก็จะไม่อยากได้ถ้าเราอยากจะกําจัดปัญหาคือความโลภความอยากความโกรธต่างๆนี้ถ้าจะกําจัดอย่างถาวรต้องใช้ปัญญาต้องใช้เหตุใช้ผลสอนใจให้เห็นถึงผลที่จะตามมาว่าทําไปแล้วดีหรือไม่ดีสุขหรือไม่ทุกข์ เจริญหรือเสื่อมถ้าเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่กล้าทำถ้าสิ่งที่เราทำไปแล้วจะทำให้เราทุกข์เราก็จะไม่กล้าทำทำไปแล้วจะทำให้เรายากจนลงทำให้เราลำบากขึ้นเราก็จะไม่ทำแต่สิ่งไหนที่ทำแล้วทำให้เรารวยขึ้นทำให้เราสบายขึ้นเราทำให้เรามีความสุขมากขึ้นเราก็จะทำแต่สิ่งนั้นไปเรื่อย นีแหละคือการสร้างบุญสร้างกรรมสร้างชีวิตใหม่ของพวกเราอดีตกรรมที่เราทํามานี้เราไปเปลี่ยนไม่ ไ, มได้ผลของอดีตกรรมที่เป็นอยู่ในขณะนี้เราเปลี่ยนได้เพราะว่าวันนี้เราสามารถทําสิ่งที่ดีได้และเมื่อเราทําสิ่งที่ดีในวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผลของสิ่งที่ดีมันก็จะปรากฏขึ้นมาไม่เชื่อห้ทําทตามที่บอก ถ้าอยากจะซื้ออะไรแล้วไม่ซื้อถ้าซื้อมาแล้วจนเงินน้อยลงไปก็อยากซื้อต่อไปรับรองได้ว่าเงินจะไม่หมดจะมีเงินเหลือใช้อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าปล่อยให้ซื้อไปตามความอยากเห็นอะไรอยากได้อะไรก็ซื้อซื้อไปซื้อไปเดี๋ยวมันหมดแล้วจะไม่พอซื้อเสียได้ซ้ำไปเพราะความอยากซื้อมันไม่หมดไปกับเงินก็อาจจะทาให้ต้องไปโก ไปขโมยไปไปป้นไปจี้อย่างคนที่เขาทำกันอยู่นี้เพราะว่าเขาหาักห้ามความอยากความโลภของเขาไม่ได้เขาใช้เงินเกินตัวใช้จนกระทั่งไม่มีเหลือใช้ก็เลยต้องหาวิธีหาเงินด้วยวิธีช่อโกงบ้างไปลักขโมยบ้างแล้นในที่สุดก็ต้องถูกจับไปลงโทษถูกขังคุกขังตาราง เพราะว่าไม่สามารถควบคุมความคิดที่ไม่ดีได้ความคิดไปในทางความโลภความอยากความโกรธนี้ดังนั้นขอให้พวกเรามาสร้างชีวิตใหม่ด้วยการเฝ้าดูความคิดของเราถ้าคิดดีก็ปล่อยให้มันทำไปเลยถ้าคิดไม่ดีก็ต้องหยุดมันแล้วรับรองได้ว่าชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขความเจริญเพิ่มขึ้นไปตามลาดับ จนเต็มเปี่ยมเต็มที่เต็มร้อยเป็นแบบที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกท่านหลายได้เป็นกันอย่างแน่นอนเพราะเป็นวิธีเดียวกันพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นพระพุทธเจ้าด้วยวิธีนี้พระอรหันตสาวกท่านก็เป็นพระอรหันตสาวกด้วยวิธีนี้พวกเราถ้าใช้วิธีนี้ต่อไปเราก็จะเป็นเหมือนท่านอย่างแน่นอนจึงขอให้เรามีความเชื่อแน่วแน่ตา